เพราะไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวในชุดไทยหรือว่าสองตาใยญายในชุดขาวล้วนก็เป็นร่างที่ปรากฏขึ้นในบ้านกระตุกขวัญหลังนีใน้ในตอนกลางดึกของบางคืนทั้งนั้นที่ผู้คนในละแวกนี้นะคะได้ประสบพบเจอมาไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวในชุดไทยหรือว่าสองตาใยญายผู้ชาราภาพในชุดขาวจะเป็นใครก็ตามค่ะแต่ว่าชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านหลังนี้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 กดติดตามช่องพระเจอผีด้วยแล้วกถ้าเจอโฆษณาขึ้นมานะคะจะมีใครใจดีดูโฆษณาให้เราจนจบบ้างหรือเปล่าเพราะนี่คือผู้สนับสนุนรายเดียวที่เรามีอยู่ประจําช่องนี้วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะตั้งมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อเวลาประมาณตีสของคืนนั้นเนี่ยมันทําให้เขาต้องจดจําไปตลอดชีวิตเพราะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุนี้ก็ปลาเข้าไป40กว่าแล้วเขาบอกยังไม่เคยเจอกับเรื่องที่ทําให้ช็อกได้เท่านี้เลย คุณต้นเป็นคนอีสานนะคะบ้านอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะแต่ว่าก็หนีความแห้งแลง้งเข้ามาทำมาหากินในเมืองหลวงเช่นเดียวกันกับอีกหลายชีวิตยึดอาชีพขับรถแท็กซี่หากินมานับสิบปีแต่ก็ไม่เคยเจอดีกับเขาสักครั้งหนึ่งที่ตื่นเต้นหน่อยก็เจอแค่ประเภทหลอกให้ไปรงแล้วก็เบี้ยวค่าโดยสารซึ่งคนขับแท็กซี่ทุกคนนะย่อมเคยเจอมาด้วยกันทั้งนั้น จนกระทั่งเมื่อเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังนี้ได้เกิดขึ้นค่ะเรื่องราวเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คุณต้นเองตื่นเต้นเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเรื่องโดนเบี้ยวค่าโดยสารเนี่ยต้องกระเด็นชิดซ้ายตกข้างทางไปเลยนะคะเริ่มเรื่องเลยและกันตอนนั้นคุณต้นขับรถกะกลางคืนซึ่งตามปกติแล้วคุณต้นบอกว่ามักจะขับตรวจหาผู้โดยสารไปเรื่อยๆไม่ค่อยจะจอดพักที่ไหน แต่ก็มีไอ้คืนมหาสวยคืนนั้นเนี่ยมันทำให้เขาต้องอ่อนใจเพราะว่าไม่ว่าจะขับไปตรงไหนก็ได้พบแต่ความว่างเปล่าหาผู้โดยสารแทบไม่เจอค่ะแต่ว่าในที่สุดนะคะเขาก็รู้สึกท้อแท้ตัดสินใจไปจอดนอนงีบพักสายตาอยู่ตรงหน้าวัดวัดหนึ่งในซอยข้างๆสอ น, นอตลิ่งชันค่ะดูแล้วว่ามีแสงไฟสว่างไม่น่ากลัวแล้วก็อยู่ไม่ห่างจากร้านอาหารที่เรียงรายกัน 2- สร้าน คุณต้นก็ล็อกประตูรถเรียบร้อยแล้วก็ปรับเบาะเอนอนงีบเอาแรงโดยเพียงเวลาไม่นานนักนะคะเขาก็เผลอหลับไปจนกระทั่งมาสดุ้งตื่นขึ้นอีกทีเมื่อมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเอ่ยขึ้นพี่คะช่วยไปส่งที่พุทธมนทนสายสีด้วยค่ะเสียงนั้นดังไม่ห่างจากตัวของเขานักนะคะ เมื่อคุณต้นลืมตาตื่นขึ้นมาก็ได้เห็นผู้หญิงสาวสองคนกำลังเปิดประตูรถแล้วก็ก้าวเข้ามานั่งที่เบาะหลังคุณต้นก็รีบปรับพนักพิงของเบาะเนี่ยให้มันอยู่ในท่าที่พร้อมขับเพื่อที่เธอจะได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นพอสองสาวขึ้นรถเรียบร้อยก็ปิดประตูค่ะจากนั้นก็ออกรถพุ่งหน้าไปสายสี่ตามที่หญิงสาวบอกมองดูนาฬิกาถึงได้รู้ว่าเป็นเวลาตีสอง ก็เลยคิดว่าสองสาวเนี่ยคงมานั่งทานอาหารที่ร้านเพราะว่าลักษณะก า, ารแต่งตัวไม่เหมือนพวกนักร้องแต่ดูเหมือนสาวโรงงานมากกว่าเมื่อตื่นเต็มตาแล้วสติกลับคืนมาเต็มร้อยเขาก็เลยนึกขึ้นได้ก่อนที่จะนอนได้ล็อกประตูรถเอาไว้แล้วนี่หว่าเอาแล้วหญิงสองคนนี้เปิดประตูรถพร้อมกับเข้ามานั่งภายในรถได้ยังไงคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกคุณต้นบอ ก, อาากได้แต่โทษตัวเองก็ได้ ว, ว่าอาวจะเผลอเรอว่าอาจจะลืมล็อกประตูด้านหลัง <eager. S 2> แล้วคิดว่าล็อกเรียบร้อยก็เลยเลิกสนใจที่จะคิดต่อไปนะคะสองสาวส่งเสียงคุยกันไปตลอดทางแต่สำหรับคุณต้นกลับรู้สึกเหมือนเสียงของผู้หญิงสาวสองคนนี่ดังแว่วอยู่ในโสดประสาทแปลกคล้ายกับกำลังฝันแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยจะฝันหรือละเมอไปได้ยังไงล่ะก็ในเมื่อขับรถอยู่แล้วก็ขับมาจนเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางซะแล้วด้วย พอมาถึงแยกสายสีก็เลี้ยวเข้าไปจอดรถตรงใต้รถเมย์ค่ะพร้อมกับหันไปสอบถามผู้โดยสารว่าจะให้จะให้ไปส่งลึกแค่ไหนเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยวคุณต้นเองบอกว่าก็เสียวเหมือนกันกลัวว่าจะถูกหลอกมาจี้มาปล้นเหมือนกันเสียงของสองสาวยังดังแว่วให้ได้ยินขณะที่กำลังชะลอรถเพื่อจอดนะคะ แต่ครั้นเมื่อจอดรถสนิทแล้วก็หันไปถามค่ะต้องรู้สึกชาวูบไปทั้งตัวเมื่อพบว่าเบาะด้านหลังของเขาเนี่ยว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่เลยแม้กระทั่งคนเดียวคุณต้นบอกผมเพิ่งจะรู้สึกถึงอาการขนลุกขนชันบนหัวก็คราวนี้นี่เอง ก็เลยรีบหันหลังกลับปิดกระจกสองหลังให้พ้นสายตาขับรถออกจากที่นั่นทันทีพอมาถึงคิวรถแท็กซี่ตรงตาปากทางสายสี่นะคะก็รีบจอดแล้วก็รีบวิ่งออกจากรถไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับพวกคนขับแท็กซี่แถวนั้นได้ฟังด้วยอาการหวาดกลัวพวกแท็กซี่ที่จอดหากินอยู่แล้วแวกนั้นก็ได้เล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่า มีคนเจอแบบผมหลายๆายแล้วแล้วก็เชื่อว่าหญิงสาวสองคนนั้นนี่น่าจะเป็นสาวโรงงานที่เสียชีวิตภายในโรงงานตุ๊กตาที่ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อหลายปีก่อนคุณต้นถึงบางอ้อทันทีค่ะแล้วก็ไม่ออกรถไปจากคิวรถปากทางสายสี่เลยจนกระทั่งฟ้าสางสว่างคาตาถึงค่อยๆขับรถกลับอู่นะคะ สรุปว่าคืนนั้นเป็นคืนซวยค่ะต้องเรียกว่ามหาสวยจริงๆหาเงินก็ไม่ได้แถมยังถูกผีหลอกอีกต่างหากอู้ช้ำจริงๆเนอะคุณต้นเนอะขอบคุณสําหรับการติดตามและฟังด้วยนะคะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะสำหรับพระเจอผีประจําวันนี้อย่าลืมนะคลิปต่อไปค่ะยังมีเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวรอคุณผู้ฟังอยู่อย่าลืมกดติดตามช่องพระเจอผีให้บีด้วยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ คุณพ่อมีปลูกกับย่าที่มีหัวทันสมัยมีอาชีพทาไร่ทํานาเช่นเดียวกันกับบ้านอื่นนะคะมีฐานะที่ไม่ถึงกับลาบากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยอะไรโดยท่านทั้งสองได้พยายามส่งเสียให้พ่อกับลูกชายแล้วก็ลูกสาวได้ร่ำเรียนกันสูงๆค่ะลูกคนใดไม่อยากจะเรียนต่อก็ไม่ได้บังคับนะคะพ่ออยากจะเรียนต่อ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 ตำบลปีล็อกกลายเป็นชุมชนทางนักสแสวงโชคผู้คนคึกคักมีชีวิตชีวาร้านค้าสารพัดชนิดเรียงรายกันเป็นอำเภอใหญ่มีโรงหนังโรงละครขนาดละครพมา่ายังยกคณะมาเปิดการแสดงที่นี่กันละกันเมื่อประมาณสัก50ปีกว่านะคะแรกวุนเฟรมเนี่ยปาเข้าไปกิโลกรัมละ100บาทขณะที่ราคาทองคำยังอยู่แค่บาทละไม่ถึง400อย ไม่ว่าจะเป็นบาร์หรือว่าเป็นร้านเหล้าล้วนครึกครืน้นมีแต่เสียงหัวเราะครึกครืน้นเฮฮาของผู้คนที่ไปกอบโกยเงินทองเข้ากระเป๋าไม่มีวี่แววแนะ่ว่าขุมทรัพย์ใต้ดินจะหมดสิน้นหรือว่าสูญหายไปอย่างง่ายๆค่ะสมัยนั้นการเดินทางจากอำเภอทองผาภูมิไปปีล็อกเรียกว่ายาดเย็นแสนเข็ธุระกันดานเหลือเชื่อชนิดที่ต้องขึ้นขึ้นช้างนะบุกป่าฝ่าเข่าไปก็ละกัน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 บางครั้งนะก็มีคนได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นคร่ำครวญด้วยความทุกข์ความโศกอยู่ใกล้ใกลแต่เมื่อเข้าไปดูให้แน่ใจกลับไม่เห็นอะไรเลยค่ะบางครั้งก็มีเสียงร้องตะโกนขอคอวามช่วยเหลือดังสะท้านเข้าหูพวกคนงานหลายคนแต่เมื่อชวนกันไปดูก็มีแต่วความว่างเปล่าไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียว ส่วนมากก็จะเป็นเงาแบบวับวับแวมแมอยู่ในสายหมอกท่ามกลางบรรยากาศเยือกเย็นในหุบเขาเสียงหมาเห่าหมาหอนจากที่ไกลๆกับเสียงยอดไม้สะบัดลมสู้ซ่าฟังเผลอเหมือนเสียงใครกําลังทอดถอนใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยอย่างเหลือประมาณนะคะขึ้นชื่อหรือชา ว, ว่าเป็นเหมืองผีหลอกจนกลายเป็นเหมืองปีล็อกที่รอการพลิกฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาอย่าง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 ประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะทุกคนก็ออกเดินทางนะคะซึ่งมีเรือไปทั้งหมด3ลําโดยมีคุณแม่แล้วก็คุณนา้าของเด็กชายยุทธพายไปด้วยหนึ่งลำคุณป้าหนึ่งลำแล้วก็ลําสุดท้ายก็คือเด็กชายยุทธกับพี่ชายนั่นเองทุกคนพายเรือมาตามแม่น้ําจนถึงปากคลองแห่งหนึ่งซึ่งคลองนี้เป็นคลองที่เป็นทางลัดทําให้ประหยัดเวลาได้พอสมควรค่ะเด็กชายยุทธแล้วก็พี่ชายพายเรือเข้ามาในคลอง เป็นลำรังท้ายประมาณ200เมตรก็จะเจอร้านค้าริมน้ําอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านของคุณนะ้าของเด็กชายยุทธนั่นเองลักษณะก็เป็นร้านค้าธรรมดานี่แหละค่ะเพียงแต่ว่ามีการปลูกยื่นลงมาริมน้ํานิดหน่อยที่ริมฝั่งบนร้านนั้นก็จะมีบรรดาลุงลุงป้าป้านะาๆนะที่เด็กชายยุทธรู้จักแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่งคุยกันอยู่อยู่ดีๆนะคนนึงในวงแกชื่อว่านออสก็ทักเด็กชายยุทธขึ้นมาแบบแปลกๆบอกว่า เฮ้ย hey, ขากลับเนี่ยระวังโดนผีหลอกนะเว้ยวันนี้วันพระเขาปล่อยผีกันแล้วพวกนา้นาเนี่ยต้องหัวเราะกันทั้งวงเลยค่ะเนื่องจากรู้ดีว่าเด็กชายยุทธเนี่ยกลัวผีจริงๆแล้วทีแรกเด็กชายยุทธก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกเพราะคิดว่าพวกน้าเนี่ยจะล้อเล่นแต่ว่าบรรยากาศของวันนั้นเนี่ยมันน่าขนลุกจริงๆ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 จากนั้นเด็กชายยุทธก็ได้ยินเสียงคนดังลอดออกมาจากตัวบ้านเป็นเสียงครางในลําคอดังฮือฮือนะคะเด็กชายยุทธก็เลยหันไปบอกพี่ชายให้รีบพายไปเร็วเดี๋ยวย่แจ่มออกมาดา่าแต่ว่าพี่ชายของเด็กชายยุทธนี่กลับหัวเราะแล้วก็พูดบอกว่าเยาแจ่มจะมาด่าเองได้ยังไงวะก็แกเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วเอ็นไม่รู้หรอเอา้าเมื่อกี้นี้พี่ไม่ได้ยินเสียงหรอเด็กชายยุทธก็ถามพี่ค่ะพี่ก็ตอบกลับไปบอกเสียงอะไรข้าไม่เห็นได้ยินเลย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 ขากลับก็เหมือนเดิมคือเด็กชายยุธกับพี่ชายพายเรือเป็นลำปิดท้ายทุกคนพายเรือย้อนกลับไปตามทางเดิมที่มาแต่ว่าขากลับเนี่ยมีมะพร้าวขนมาเต็มลำเรือค่ะก็เลยทำให้การเดินทางช้าลงกว่าตอนมาสองเท่าตัวเลยนะเรือสองลำด้านหน้าเนี่ยขนน้อยกว่าลาแรกอ่าขออภัยค่ะขนน้อยกว่าลําของเด็กชายยุธก็เลยค่อยๆพายห่างออกไปเรื่อยๆ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 เรื่องผีหรือว่าเรื่องวิญญาณนั้นนะคะทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นปรมาณูค่ะก็คือมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจเหมือนกันกันกบตัวของมนุษย์เราทุกๆอย่าง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 กลิ่นที่ทั้งสองคนได้สัมผัสวันนั้นก็คือกลิ่นของผีชัดๆค่ะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นสาบสางยิ่งนานยิ่งแรงขึ้นจนไม่กล้าที่จะอ้าปากพูดเพราะว่ากลัวกลิ่นเนี่ยมันจะเข้าไปในปากคืนวันนั้นคุณแอลใจหายใจคว่มจนถึงบ้านหรือใครบ้างที่จะไม่กลัวเมื่อเจอแบบเดียวกันเข้าไปนี้นะคะ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 ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดลำปางหลังจากที่คุณวิชัยเสียชีวิตแล้งไม่นานค่ะคุณแอวก็ได้กลิ่นแตลกๆในออฟฟิศอยู่เสมอบางครั้งตอนเช้านะคะเมื่อเข้ามาทำงานบางทีก็เป็นช่วงบ่ายเป็นกลิ่นเหมน็นเหมือนคนขับถ่ายอุจจาระบางครั้งก็จางบางครั้งก็แรงก็เลยนึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะพี่วิชัยต้องมาหาแน่นอน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 จนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่นายสถานีประกาศเวลารถจะออกแกก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะรถไฟขบวนที่แกกำลังนั่งอยู่เนี่ยผู้คนในรถเหมือนไม่มีชีวิตชีวายังไงบอกไม่ถูกทุกคนดูเสื่องซึมไม่กระตือรือร้อนเหมือนคนที่กำลังจะเดินทางเลย แต่ว่าความรู้สึกผิดแปลกนั้นก็หายไปนะคะหลังจากที่รถเริ่มเคลื่อนขบวนและพี่ปลาก็ตัดสินใจเข้านอนโดยไม่ลืมหยิบหนังสืออ่านเล่นเล่ลมโปรดไปนอนอ่านเล่นด้วยเมื่ออ่านหนังสือไปได้พักใหญ่พี่ปลาก็เริ่มง่วงนอนละะแล้วค่ะแกก็เลยมองออกไปที่หน้าต่างเพื่อดูว่าถึงไหนแล้วแต่ว่าภาพที่เห็นแทนที่จะเป็นแสงไฟราไรจากบ้านช่องที่ผ่านตา กลับเป็นเงาภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่มองเห็นหน้าไม่ชัดมากแต่รู้ได้นะฮะว่าเป็นหญิงสาวผมยาวหน้าตาแบบสยยยิ้มน่ากลัวใส่ล่องลอยอยู่ด้านนอกของหน้าต่างรถไฟนะคะ